ภาวิสีข้อที่สาภาวิจิตมีจิตที่ได้พัฒนาแล้วภาวะทางจิตที่สำคัญเป็นพื้นฐานคือความเป็นอิสระหรือเรียกตามคำพระว่าความหลุดพ้นภาวะนี้เป็นผลสืบเนื่องจากปัญญาคือเมื่อเห็นตามเป็นจริงรู้เท่าทาันสังขารแล้วจิตจึงพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลส ท่านมากล่าวบรรยายการเข้าถึงภาวะนี่ว่าจิตที่ปัญญาบ่มงอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายหรือเมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพน้นแม้จากกามาสวะจิตย่อมหลุดพน้นแม้จากภวาสวะจิตย่อมหลุดพน้นแม้จากอวิชชาสวะลักษณะด้านหนึ่งของความเป็นอิสระ ในเมื่อไม่ถูกกิเลสครอบงำก็คือการไม่ตกเป็นาธาตุของอารมณ์ที่เย้ายวนหรือยั่วยุอย่างที่ท่านเรียกว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะโทสะและโมหะเพราะจิตปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วยิ่งกว่านั้นยังมีผลซึบเนื่องจากความปราศจากราคะโทสะโมหะต่อไปอีกคือทาให้ไม่มีความหวาเสียวสะดุง้งสถานวันไหว นอกจากไม่มีเหตุที่จะให้ทำความชั่วเสียหายที่ร้ายแรงแล้วยังมีหลักประกันความสุจริตใจในการทำงานด้วยสามารถเป็นนายของอารมณ์ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นผู้อบรมเจริญอินทรีย์แล้วคือมีอินทรีย์ภาวนาคือเมื่อรับรู้อารมณ์จนนรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเกิดความรู้ตามปกติขึ้นมาว่าของน้าชอบใจไม่น่าชอบใจหรือเป็นกลางๆ ก, ก็ตาม ก็สามารถบังคับสัญญาของตนได้ให้เห็นของปฏิกูลเป็นไม่ปฏิกูลเห็นของไม่ปฏิกูลเป็นปฏิกูลเป็นต้นตลอดจนจะสลัดทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลวางใจเฉยเป็นกลางอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ทำได้ตามต้องการดังที่กล่าวแล้วในหลักเกี่ยวกับพาวิตินสีในด้านของพาวิตกายเป็นผู้มีสติควบคุมตนได้ เรียกว่าเป็นคนที่ฝึกแล้วหรือผู้ชนะตนเองซึ่งเป็นยอดของผู้ชนะสงครามพร้อมกันนั้นก็มีจิตหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวโยคลอนไปตามอิทธารลมอนิทธารลมเหมือนภูเขาหินใหญ่ไม่หวั่นไหวด้ยวยแรงลมหรือเหมือนพื้นแผ่นดินเป็นต้นที่รองรับทุกสิ่งไม่ขัดเคืองผูกใจเจ็บต่อใคร ไม่ว่าจะทิ้งของดีของเสียของสะอาดไม่สะอาดหรือไม่ว่าอะไรลงไปอีกด้านหนึ่งของความหลุดพ้นเป็นอิสระคือความไม่ติดในสิ่งต่างๆซึ่งท่านมักเปรียบกับใบบัวที่ไม่ติดไม่เปียกน้ำและดอกบัวที่เกิดในเปลือกตมแต่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เปื้อนโคลนเริ่มต้นแต่ไม่ติดในกามไม่ติดในบุญบาปไม่ติดในอารมณ์ต่างๆ อันจะเป็นเหตุให้ต้องรำพึงหลังหวังอนาคตดังบาลีว่าผู้ถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงดํารงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะ น, นั้นผิวพันธ์ของท่านจึงผ่องใสส่วนเหล่าชนผู้อ่อนปัญญาเฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง และหัวละห้อยถึงความหลังอันล่วงแล้วจึงสูบเีตหมุนมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนถึงขึ้นทิ้งไว้ในที่กลางแดดอนหนึ่งในพัะเทการัตะสูตรมีข้อความคล้ายกันที่นี่แต่เป็นคำสอนว่าไม่พึงหัวละห้อยความหลังไม่พึงหวังเพ้อถึงอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงข้อที่ควรสังเกตและทำความเข้าใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้คือจะเห็นว่าการไม่รำพึงหลังไม่หวังอนาคตนี้ได้จัดไว้เป็นลักษณะของภาวะทางจิตไม่ใช่ลักษณะของภาวะทางปัญญาถ้าเทียบกับคำฝ่ายตะวันตกก็ตรงกับด้านอ m o t ช o n จึงไม่ได้หมายความว่าพระอาหารหันต์ไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิจการงานภายหน้าและไม่ใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอดีตแต่ตรงข้ามเพราะพระอาหารหันต์มีภาวะทางจิตที่ปลอดโปร่งจากอดีตและอนาคตจึงนําเอาความรู้เกี่ยวกับอดีตและอนาคตมาใช้ประโยชน์ทางปัญญาได้เต็มที่ดังนั้นคําแสดงลักษณะของผู้ตรัสรู้แล้วที่เกี่ยวกับเรื่องอดีตและอนาคตจึงยังมีอยู่ แต่เป็นเรื่องทางด้านปัญญาเช่นปุกเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตาญาณอติตังสยานอนาคตังสยานและการที่พระอรหันต์จะทำการใดมักคำหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์ชุมชนผู้จะเกิดภายหลังดังจะได้กล่าวต่อไปลักษณะบางอย่างทางจิตใจของผู้บรรลุนิพพาน อาจขัดต่อความรู้สึกของปุถุชนเราเมื่อดูเผินเผินจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปุถุชนถือกันว่าไม่ดีไม่เป็นสุขไม่น่าชื่นชมลักษณะอย่างหนึ่งในประเภทนี้ที่เด่นท่านกล่าวถึงบ่อยๆคือนิราสะหรือนิราสาปลายอย่างสามัญว่าหมดหวังสิ้นหวังหรือไร้ความหวังนิราสานี้ นิยมใช้ในคถาคือคำร้อยกรองเป็นวิธีใช้แบบล้อคำพูดของปุตุชนอย่างเดียวกับอสัทธะที่แปลว่าไม่มีศรัทธาในฝ่ายภาวะทางปัญญาในความร้อยแก้วใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าวิคตาสะเพื่อให้ต่างจากความสิ้นหวังหรือผิดหวังคือเท่ากับเสร็จสิ้นสิ่งที่หวังหรือเลิกไม่ต้องหวังอีกต่อไปแล้ว นิราศหรือนิราสาแปลอย่างสามัญว่าหมดหวังสิ้นหวังหรือไร้ความหวังแต่ความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้บรรลุนิพพานมีความหมายลึกซึ้งเลยไปจากที่ปุตุชนนึกถึงหรือพูดถึงกันตามปกติอธิบายว่าตามธรรมดามนุษย์ปุตุชนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังความหวังนี้ตั้งอยู่บนความอยากเพราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากเป็นนั่นเป็นนี่จึงหวังว่าจะได้เป็นและความหวังนั้นก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตไว้คนใดผิดหวังเพราะไม่ได้ตามที่หวังหรือไร้ความหวังหมดหวังเพราะไม่มีทางจะได้ตามที่หวังคนนั้นเข้าถือกันว่าเป็นคนเคราะห์ร้ายเต็มไปด้วยทุกคนใดสมหวังเพราะได้ตามต้องการหรือมีความหวังเรามองเห็นทางว่า คงจะหรืออาจจะได้ตามที่หวังคนนั้นเขาถือกันว่าเป็นผู้โชคดีมีความสุขว่าที่จริงคนมีหวังนี้ยังมีความหวังอีกอย่างหนึ่งแฝงซ่อนอยู่ด้วยตลอดเวลาแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่อยากนึกถึงคือมีความหวังว่าอาจจะกลายเป็นคนผิดหวังหรือสิ้นหวังได้ต่อไปด้วยแต่ความหวังด้านนี้ตามปกติเรียกว่า ความหวาดคือหวาดว่าจะไม่ได้อย่างที่หวังซึ่งเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งจึงกลายเป็นว่าความหวังมาคู่กับความหวาดเมื่ อ, อยังอยู่ด้วยความหวังก็ยังต้องมีความหวาดคู่ไปด้วยกันส่วนผู้บรรลุนิพพานกลับไปคล้ายคนแรกคือคนที่ไม่หวังแต่ความจริงคล้ายคนที่สาม แต่ก็ไม่เหมือนอีกนั่นแหละเพราะผู้ถึงนิพพานแล้วหมดหวังหรือไร้ความหวังไม่ใช่เพราะไม่มีทางได้ตามที่หวังแต่เพราะเต็มแล้วอิ่มแล้วไม่มีอะไรพร่องที่จะต้องอยากไม่ขาดอะไรที่จะต้องอยากได้ให้เกิดเป็นความหวังว่าโดยสาระก็คือความสิ้นหวังหรือไร้ความหวังของผู้ถึงนิพพานเกิดจากไม่มีความอยากที่เป็นเหตุให้ต้องหวัง คือเมื่อไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหวังเมื่อไม่มีสิ่งที่ต้องหวังก็เป็นอยู่โดยไม่ต้องมีความหวังเป็นคนที่ได้ละได้เลิกหรือหมดสิ้นความหวังที่สร้างความหวาดไปได้แล้วรวมความว่าผู้ถึงนิพพานเป็นอยู่โดยไม่ต้องอาศัยความหวัง ไม่ต้องการความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องขึ้นต่อความหวังไม่ต้องฝากชีวิตหรือความสุขของตนไว้กับความหวังเป็นผู้พ้นทั้งความสมหวังและความสิ้นหวังตามความหมายของปุถุชนเป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มอยู่ในตัวเป็นผู้ที่สูงเลยจากคนสมหวังหรือคนมีหวังขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็นขั้นอยู่เหนือความหวัง หรือพ้นความหวังหรือเป็นอิสระจากความหวังเพราะมีความสุขบริบูรณ์เต็มที่ในปัจจุบันอยู่แล้วทุกขณะไม่มีทางที่จะผิดหวังสิ้นหวังหรือหมดหวังต่อไปได้เลยพึงเทียบกับอัศร์ทธะที่แปลว่าไม่มีศรัทธาซึ่งเป็นฝ่ายภาวะทางปัญญา ลักษณะทางจิตอย่างอื่นๆซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกมากมายเช่นอกิจชนะไม่มีเรื่องติดใจกังวลไม่มีอะไรค้างใจสันตะไม่คิดพลานไม่มีความกระวนกระวายใจไม่งุนงานไม่หงุดหงิดไม่หงอยเหงาไม่เบื่อหน่ายไม่หวาดสะดุง้งปราศจากภัยจิตใจสงบ อโศกเป็นสุขไม่มีความโศกวิราชาไม่มีทุลีที่ทำให้ขุนมัวหรือฝ้ามองเขมะหลอดโปรงกรเกษมสีติภูตะนิพุตะผ่องใสเยือกเย็นสันตุ ธ, ธะเ อ, อิบอิ่มพอใจนิชัตตา หายหิวจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เบาใจวางใจสนิทเบิกบานใจตลอดเวลาลักษณะที่ควรกล่าวย้ำไวเพราะท่านกล่าวถึงบ่อยคือความเป็นสุขมีทั้งคำแสดงภาวะของนิพพานว่าเป็นสุขคำกล่าวถึงผู้บรรลุนิพพานว่าเป็นสุขและคำกล่าวของผู้บรรลุเองว่าตนมีความสุข เช่นว่านิพพานเป็นบรมสุขนิพพานเป็นสุขยิ่งหนอสุขยิ่งกว่านิพพานสุขไม่มีนี่คือสุขที่ยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขจริงหนอผู้บริณิพพานแล้วนอนเป็นสุขทุกเมื่อแลผู้ไร้กังวลเป็นผู้มีความสุขหนอพวกเราผู้ไม่มีอะไรให้กังวลเป็นสุขจริงหนอ สุขจริงหนอสุขจริงหนอแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมองนิพพานว่าเป็นสุขจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานด้วยความเป็นทุกข์จะเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะคืออนุโลมิกะขันติย่อมเป็นไปไม่ได้ ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจะจะก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามคือกำหนดแน่นอนในภาวะที่ถูกต้องหรือกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ข้อที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามจากบรรลุโซดาปฏิผลหรือสกาดทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรืออรหัตผล ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มองเห็นนิพพานด้วยความเป็นสุขจะเป็นผู้ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรษษรลุสัจจะย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ข้อที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยข้อพินิษที่เกื้อแก่การบรษษรลุสัจจะจะก้าวลงสู่สมมตนิยามก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ข้อที่ภิกษุผู้ก้าวลงสู่สมมตินิยามจากบรรลุโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้พึงสังเกตว่าในที่นี้แปลคำอนุโลมิกาขันติว่าข้อพินิษ์ที่เกื้อแก่การบรรลุสัจจ์ขันติในที่นี้ เป็นคําที่มีความหมายทางปัญญามิใช่เป็นเพียงความอดทนอัตถกถาว่าคําว่าขันติเป็นไวยพจน์ของปัญญาและว่าอนุโลมิกาขันติได้แก่วิปัสนาญาณตามที่แปลกันมาบางทีท่านแปลขันติในที่นี้ว่าขันติญาณ แม้นิพานจะเป็นสุขและผู้บรรลุนิพานก็เป็นผู้มีความสุขแต่ผู้บรรลุนิพานไม่ติดในความสุขไม่ว่าชนิดใดๆรวมทั้งไม่ติดเพลินนิพานด้วยเมื่อรับรู้อารมณ์ต่างๆจากภายนอกทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นพระอระหันยังคงสวยเวทนาที่เนื่องจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่มีข้อพิเศษตรงที่ท่านเสวยเวทนายัางไม่มีกิเลสร้อยรัดไม่ติดเพลินหรือขัดข้องอยู่กับเวทนานั้นเวทนานั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นการเสวยเวทนาชั้นเดียวเรียกสั้นๆว่าเสวยแต่เวทนาทางกายไม่เสวยเวทนาทางจิตไม่ทำให้เกิดความเร่าร้อนกระวนกระวายภายในเรียกว่าเวทนานั้นเป็นของเย็นแล้ว การเสวยเวทนาของท่านเป็นการเสวยชนิดที่ไม่มีอนุัยตกค้างที่ว่าพระอาหารหันเสวยเวทนาโดยไม่มีอนุัยตกค้างนี้เป็นจุดพึงสังเกตสาคัญอย่างหนึ่งคือเป็นความแตกต่างจากปุถุชนที่ว่าเมื่อเสวยสุขก็จะมีราคานุใสตกค้างเสวยทุกข์ก็มีปฏิคานุใสตกค้าง สวยอารมณ์เฉยๆก็มีอวิชานุสัยตกค้างเพื่อความเคยชินและความแก่กล้าให้แก่กิเลสเหล่านั้นมากยิ่งยิ่งขึ้นแต่สำหรับพระาอารหันตุขทุกจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปกระทบถึงภาวะที่ดับเย็นเป็นสุขในภายในความสุขของท่านจึงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่ออารมณ์หรือสิ่งต่างๆภายนอกคือไม่ต้องอาศัยอามิ ท่านเรียกว่าเป็นนิรามิสุขอย่างยิ่งคือยิ่งกว่านิรามิสุขชั้นสามัญคือสุขในฌานในเมื่อสุขของผู้ถึงนิพพานไม่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกและผันแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายอันเป็นไปตามคติธรรมดาแห่งสภาพสังขารจึงไม่เป็นเหตุให้ท่านเกิดความทุกข์ถึงอารมณ์6กจะแปรเปรวนเคลื่อนคลาหายลับ ท่านก็ยังคงอยู่เป็นสุขถึงขันห้าจะพันแปรกลับกลายไปเป็นอื่นท่านก็ไม่เศร้าโศกเป็นทุกข์ความรู้เท่าทันในความไม่เที่ยงแท้และสภาพที่พันแปรนั่นเองยอมทำให้เกิดความสงบเย็นไม่พลานสายไม่กระวนกระวายอยู่เป็นสุขได้ตลอดเวลาภาวะเช่นนี้ท่านว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของการพึ่งตนได้หรือการมีธรรมะเป็นที่พึ่ง คำสำคัญที่แสดงภาวะทางจิตของผู้บรรลุนิพพานอีกคำหนึ่งซึ่งครอบคลุมลักษณะหลายอย่างที่กล่าวมาแล้วคือคำว่าอารมคยะแปลว่าความไม่มีโรคหรือภาวะไรโรคที่ในภาษาไทยเรียกว่าสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีอารมคยะนี้ใช้เป็นคำเรียกนิพพานอย่างหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้ว ความไร้โรคหรือสุขภาพในที่นี้มุ่งเอาความไม่มีโรคทางจิตใจหรือสุขภาพจิตดังพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสสอนขาหาพดีผู้เท่าคนหนึ่งว่าท่านพึงศึกษาฝึกสอนตนดังนี้ว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยออดแอดแต่จิตของเราจะไม่ป่วยออดแอดไปด้วยและตรัสแกภิกษุทั้งหลายว่า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 เออขึ้นทั่วทั้งร่างตัวเชื้อโรคก็คอยเร้าระคายเขาต้องใช้เล็บเกาปากแผลอยู่เรื่อยๆและผิงกายที่หลุม่านไฟเมื่อเข้าเกาและผิงย่างตัวกับไฟหนักเขา้าปากแผลก็ยิ่งขยงเยอเฟะมากขึ้นแต่กระนั้นความสุขความชื่นใจความมีรสชาติใดๆที่เขาจะได้รับก็อยู่ตรงปากแผลคันที่จะได้เกานั่นแหละ อุรุษโรคเรือนตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นจนกระทั่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาปรุงยารักษาทำให้เขาหายจากโรคเรือนได้บุรุษนั้นพ้นจากโรคเรือนไปได้กลายเป็นคนมีสุขภาพดีคืออโรคะสุขขีมีความสุขเสรีมีเสรีภาพสายังวสีมีอำนาจในตัวเย น, นากามังคมั จะไปไหนก็ได้ตามพอใจถึงตอนนี้การเกาปากแผลก็ดีการพิงย่างตัวที่หลุมหรือกองไฟก็ดีที่เขาเคยรู้สึกว่าทำให้เกิดความสุขสบายชื่นใจนั้นคราวนี้เขาไม่เห็นว่าเป็นความสุขเลยและถ้าจะให้เขาทำอย่างนั้นในเวลาที่หายโรคแล้วอย่างนี้เขากลับเห็นว่าจะเจ็บปวดเป็นทุกข์ด้วยซ้ำแต่ภาวะเช่นนี้ เมื่อครั้งยังถูกโรคเรือนรุมเร้าอยู่เขาหามองเห็นตระหนักไม่ข้ออุปมานี้เปรียบได้กับปุถุชนผู้ยังมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ต้องสแสวงหาความสุขจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกรรมคุณแม้จะได้ความสุขจากการหาอารมณ์มาสนองความอยากนั้นแต่ก็ถูกเชื้อความอยากต่างๆทั้งหลายเร้าราคายให้เร่าร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายมากยิ่งขึ้น เมื่อดำเนินชีวิตไปในแนวทางเช่นนี้ความสุขความรื่นเริงชมชื่นใจที่มีอยู่ก็วนอยู่แค่การปลูกเร้าเชื้อความอยากให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นแล้วก็หาสิ่งที่จะเอามาสนองระงับดับความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อใดบรรลุนิพพานหมดเชื้อความอยากที่ทําให้เกิดความเร้าร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายแล้วเป็นอิสระเป็นไทยเกตัว ก็ไม่เห็นความสุขในการกระทำเพื่อสนองระงับความเร่าร้อนกระวนกระ ว, วายเช่นนั้นอีกแง่หนึ่งจากคำอุปมาข้างต้นนั้นพอจะจับเอามาพูดได้ว่าปุถุชนเปรียบเหมือนคนที่มีอาการคันที่ต้องเกาและความสุขของปุถุชนก็คือความสุขจากการได้เกาณที่คันยิ่งคันก็ยิ่งเกาและยิ่งเกาก็ยิ่งคัน ยิ่งคันมากความสุขจากการเก่าก็ยิ่งมากและยิ่งคันมากก็ยิ่งได้เก่ามากอุตุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับความสุขให้สูงขึ้นด้วยการหาทางเพิ่มความเร้าระคายเพื่อทาให้คันมากขึ้นเพื่อจะได้รับความสุขจากการเก่าให้มากยิ่งขึ้นส่วนผู้หลุดพ้นแล้วเป็นเหมือนคนที่หายจากโรคคัน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 มีความหมายต่อชีวิตและต่อความสุขความทุกข์ของตนถึงเป็นถึงตาในสมัยเด็กรันเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เจืดจางกลายเป็นของไม่เร้าความรู้สึกเมื่อเห็นเด็กๆชื่นชมกันนักตั้งตาคอยจ้องจะชิงมาเป็นเจ้าของก่อนผู้ใหญ่อาจมองเป็นขำไปแม้วิธีหาความสนุกสนานต่างๆตามแบบของเด็กๆก็กลายเป็นสิ่งไร้ความหมาย